การที่ชีวิตเรามีจุดหมายเนี่ยมันทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมีคุณค่าทำให้แต่ละวันเนี่ยมีความหมายถ้าชีวิตไม่มีจุดหมายเนี่ยมันก็เหมือนกับสวะที่ลอยไปตามน้ำคนที่ไม่มีจุดหมายในชีวิตเนี่ยก็อาจจะไม่อยากอยู่ด้วยซ้ำเพราะไม่รู้จะอยู่ไปทำไม เกิดมาทาไมตอบไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ว่าอยู่ทำไมเนี่ยนะมันต้องตอบได้แต่บคนเขาก็ตอบไม่ได้นะเพราะว่าไม่มีจุดหมายชีวิตคนเหล่าที่จำนวนมากเขาก็ถ้าไม่ปล่อยชีวิตไปตามยถ า, ากรรมเขาก็อาจจะเลือกจบชีวิตด้วยการฆ่าตัวตายะนั้นชีวิตเนี่ยมันต้องมีจุดหมายเช่นเดียวกับการเดินทาง แต่ว่าชีวิตกับการเดินทางมันมีความแตกต่างกันอยู่ข้อหนึ่งนะในการเดินทางเนี่ยจุดหมายกับปลายทางเนี่ยมันอันเดียวกันเราเรียกลมรวมกันเลยนะว่าติดตดกันจุดหมายปลายทางแต่ว่าชีวิตเนี่ยมันต่างกันนะเพราะว่าชีวิตเนี่ยจุดหมายชีวิตกับปลายทางชีวิตนี่ไม่เหมือนกันนะ จุดหมายชีวิตเป็นสิ่งที่พึงปรารถนาใครๆก็อยากจะไปให้ถึงเพราะว่ามันสูงส่งนะมันเป็นความใฝ่ฝันแต่ปลายทางชีวิตนี่ไม่ค่อยมีใครใฝ่ฝันเท่าไหร่นะปลายทางชีวิตคืออะไรนะความตายนะจุดหมายอยู่ข้างบนนะแต่ปลายทางชีวิตนี่อยู่ข้างล่าง ใครๆก็อยากจะบรรลุให้ถึงจุดหมายชีวิตแต่ไม่มีใครอยากจะให้ปลายทางชีวิตมันมาถึงจุดหมายชีวิตเนี่ยนะมันต้องดิ้นรนต้องขนไควยต้องภาคเพียนนะจึงจะถึงแต่ปลายทางชีวิตนี่แค่อยู่เฉยๆ เ, เนี่ยนะมันก็มาแล้วมันมาหาเราเองเราเดินเพื่อไปให้ถึงจุดหมาย แต่ว่าปลายทางชีวิตเนี่ยนะมันมาหาเราเองแล้วก็คนส่วนใหญ่ก็ไม่อยากจะให้มันมาถึงวัยวถึงชาเท่าไหร่ยิ่งดีนะแต่ว่าขอถึงจุดหมายวัยวัคือจุดหมายชีวิตแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยเขาสนใจจดจ่อ แต่จุดหมายชีวิตคนจนมากลืมลืมไปเลยนะว่าเชืองเขาเนี่ยมีปลายทางทึ่งมันมาถึงเรื่อยๆหลายคนเฝ้าถามเฝ้าชะเง้อมองว่าเมื่อไหร่จะถึงจุดหมายชีวิตสักที พอขึ้นปีใหม่เนี่ยหลายคนเขาก็มาทบทวนนะว่าที่ผ่านมาเนี่ยฉันเข้าใกล้จุดหมายชีวิตเนี่ยมากน้อยแค่ไหนแล้วนะบางคนก็มีการวางแผนว่าเนี่ยปีนี้เนี่ยฉันจะทำอะไรบ้างเพื่อที่จะได้บรรลุถึงจุดหมายชีวิตสักที ถึงแม้จะยังไม่บรรลุก็ขอให้เข้าใกล้ไปเรื่อยๆแต่น้อยคนนะจะมองไปอีกด้านหนึ่งว่าแล้วเราพร้อมแค่ไหนสำหรับปลายทางชีวิตถึงแม้ว่าแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยเราจะดีใจที่เราได้ เดินทางเข้าใกล้จุดหมายชีวิตไปทุกทีทุกทีจะน้อยคนจะเสียวใจว่าไอ้ปลายทางชีวิตเนี่ยเราก็เดินเข้าใกล้ทุกทีทุกทีเหมือนกันเมื่อปีใหม่นะมาถึงนะเราก็อาจจะโชคดีเฉลิมฉลอง เฉเริ่มฉลองต้อนรับปีใหม่เพราะว่าใครๆก็ชอบของใหม่เสื้อผ้าตัวใหม่โทรศัพท์เครื่องใหม่รถคันใหม่บ้านหลังใหม่แน่นอนปีใหม่เราก็ชอบแล้วเราก็ดีใจว่าเออเราได้มีชีวิตยืนยาวมาอีกหนึ่งปี หลายคนไม่สามารถจะพาชีตมาถึงวันนี้ได้บางทีก็เป็นเพื่อนเราบางทีก็เป็นพี่น้องเรานะที่เขาโชคไม่ดีเหมือนเราเราโชคดีที่มามีชีวิตเนี่ยจนถึงสักกะระนี้นะหกหนึ่งแต่ในแง่หนึ่งเนี่ย ปีใหม่มันก็หมายความว่าเราใกล้ความตายเข้าไปอีกหนึ่งปีใครที่คิดแบบนี้เนี่ยก็จะรู้สึกว่าปีใหม่มันไม่ใช่เป็นเวลาแห่งการเฉลิมฉลองเลยนะมันจะเฉลิมฉลองได้ไงนะความตายใกล้เข้ามาอีกหนึ่งปีแต่เพราะคนไม่ตระหนักตรงนี้ก็เลยเฉลิมฉลองกันใหญ่ที่จริงก็แปลกนะอย่างที่บอกนะพวกเราชอบของใหม่ เสื้อผ้าตัวใหม่รองเท้าคู่ใหม่โทรศัพท์เครื่องใหม่อันนี้เคยเพบว่าทำไมเราจึงดีใจที่ปีใหม่มาถึงอะไรที่เก่าๆเราไม่ชอบเราชอบของใหม่แต่พอนึกถึงชีวิตใหม่พบใหม่นี่ไม่มีใครชอบนะยังอยากจะหวงยังอยากจะหวงยังอยากจะ ยังอยากจะสงวนหรือรักษาชีวิตเก่าๆเอาไว้นะชีวิตที่อายุมาผ่านโลกมาสี่สิปีห้าสิปี60ปีเจสิปีมันเก่าแล้วนะแต่คนส่วนใหญ่ก็ยังพอพูดถึงพบใหม่ชีวิตใหม่นี้นะขอขอไว้ก่อนได้ไหมผัดไว้ก่อนนะฉันยังไม่อยากจะมีชีวิตใหม่นะฉันยังรักฉันยังถนอมฉันยังหวงแหนชีวิตเก่าอยู่ แต่พอเป็นปีเก่านี่เราพร้อมที่ขับสายไล่ส่งได้เลยนะอย่างที่ตมาบอกนั้าคนเราเนี่ยเราใช้เวลาแต่ละวันเนี่ยในการที่จะดิ้นรนพากเพียรเพื่อจะไปให้ถึงจุดหมายชีวิตแต่เราไม่ได้เฉลื้ใจเลยว่าเมื่อ ปลายทางชีวิตเนี่ยมาถึงเราพร้อมที่จ ะ, ะเผชิญกับมันหรือเปล่าจุดหมายชีวิตเนี่ยถึงหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าปลายทางชีวิตมันมาแน่และมันมาถึงเราในที่สุดบางคนเนี่ยไม่สามารถจะพาชิตไปถึงจุดหมายได้ เพราะว่าปลายทางชีวิตมันมาถึงซะก่อนทั้งๆ ท, ที่รู้แบบนี้คนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เตรียมตัวเลยในการที่จะรับมือกับปลายทางชีวิตแต่พวกเรานี่นับเป็นกลุ่มพิเศษนะที่เราตระหนักและยอมรับว่านเนี่ย ชีวิตนี้มันมีความมันมีวันสิ้นสุดแล้วเราก็จะไม่รอให้มันมาถึงโดยที่ไม่ทันเตรียมตัวอะไรเลยมันจะมาถึงเมื่อเมื่อไหร่ไม่รู้แต่วิสัยของผู้ที่มีปัญญาผู้ที่ไม่ประมาทก็จะเตรียมตัวไว้ก่อนเพราะรู้ว่ามันมาแน่ ดีกว่าจะหันหลังให้มันหรือว่าแกล้งจะเป็นไม่รู้ไม่ชี้แต่คนส่วนใ่ยเป็นอย่างนั้นนะรู้ว่าความตายเนี่ยมาถึงแน่แต่ก็ไม่อยากจะนึกถึงมันหันหลังให้มันสมมติก็ว่ามันจะไม่เกิดขึ้นกับเราอันนี้มันคงไม่ต่างจากนกกระจอกเทศ น, นะนกกระจอกเทนเนี่ย เวลามันเจออันตรายเนี่ยเช่นสัตว์ร้ายสิงโตเนี่ยบางทีมันไม่หนีนะมันเอาหัวซุกทายเพราะอะไรเพราะว่าเอาหัวซุกไปในทรายมันก็ไม่เห็นอันตรายมันก็สบายใจว่าเอ้ยฉันปลอดภัยแล้วแต่ทาอย่างนี้นี่มันฉลาดหรือเปล่านะมันไม่เห็นอันตรายก็จริงแต่ว่าอันตรายก็มาถึงตัวมันในที่สุด นกก็จอกเทศเนี่ยมันไม่เห็นเสือไม่เห็นสิงเนี่ยมันก็นึกว่าปลอดภัยเพราะมันเอาหัวสุบไปในทรายคนที่ไม่คิดถึงเรื่องความตายเลยเนี่ยบางทีเขาก็สบายใจนะสบายใจว่าฉันปลอดภัยแล้วแตป่ปลอดภัยจริงหรือเปล่าบางคนอายุเจ็ดสิบปดสิบปีแล้วก็ยังไม่อยากจะยอมรับเลยว่า ว่าตัวเนต้องตายเวลาใครพูดเรื่องความตายก็บอกว่าอย่าฟังเอา อ, อย่าพูดอย่าพูดฉันไม่อยากฟังเราก็ว่าถ้าไม่พูดหรือไม่ได้ยินแล้วเนี่ยความตายมันจะไม่มาถึงนะถ้าไม่ได้ยินไม่ได้ฟังเนี่ยนะก็สบายใจเพราะิดว่าความตายจะมาไม่ถึงอันนี้ไม่ใช่เป็นความฉลาดเลย แล้วเดี๋ยวนี้เราก็พยายามที่จะไม่พูดไม่คุยเรื่องนี้และถ้าจะคุยเรื่องความตายเราก็พยายามเลี่ยงไปใช้คำอื่นให้ดูสวยรูให้ดูเรื่นหูเช่นแทนที่จะบอกเขาตายแล้วก็บอกว่าเขาจากไปแล้วเขาสิ้นลมแล้วเขาไม่อยู่แล้วเขาไปดีแล้วเขาไปสบายแล้ว เรามีคำเรียกที่ใช้แทนคำว่าความตายนี่เยอะมากนะไม่น้อยกว่ายี่สิบคำนะเพราะอะไรนะเพราะเราไม่อยากจะนึกถึงมันอยากจะอยู่ไปนา น, น, าน เพราะว่าเรากลัวตายเราไม่อยากนึ้ถึงความตายเราก็เลยไม่ได้เตรียมตัวเลยเลยการเตรียมตัวกับกายเป็นการมองว่าเป็นการแช่งนะเช่นถ้าจะขินหรือทำพิณนกรรมนะหลายคนก็จะบอกว่าเป็นลังไม่ดีอายุเจ็0สิบแปดสิบแล้วยังไม่ยอมทำพิ่ในกรรมนะเพราะกลัวว่าเป็นการแช่งให้ตายเร็ว เนี่ยไปคิดว่าการเตรียมไปคิดว่าการเตรียมตัวเนี่ยนะมันเป็นการเล่นความตายให้มาถึงแล้วก็เลยไม่อยอมเตรียมอัตมาอยากจะลองสมมุตินะว่าพวกเราเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยได้ไป ไปโพอยู่ในประเทศที่เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวเช่นโตเกียวนะเกียวโตอี่ิปุ่นฮ่องกงอเมริกาอังกฤษเยอรมันอันนี้ก็เป็นเป็นประเทศที่หลายๆคนเนี่ยนึกฝันอยากจะไปเที่ยว ถ้าเกิดว่าเราต้องบังเอิญเนี่ยไปอยู่ในประเทศนั้นเลยเข้าไปในประเทศนั้นเลยวีซ่าผ่านนะหลายคนคงจะตกใจนะว่าไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยโดยที่ต้องไปหาที่อยู่นะหาที่พักเอง ภาษาก็พูดไม่ได้หรืออาจจะพูดได้ถ้านอนที่เราอยากจะไปเที่ยวนะแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องไปประเทศนั้นโดยประเภทว่าไม่ได้เตรียมอะไรเลยที่พักโรงแรงก็ไม่ได้เตรียมต้องไปหาอากันข้างหน้านะจะไปยังไงก็ไม่รู้ถ้านอนที่เราอยากจะไปเที่ยวประเทศนั้นเมืองนั้น แต่ต้องต้องไปไปโผล่เอาโดยที่ไม่ทันได้เตรียมหรืเตรียมตัวแม้จะมีเงินก็ตามนะเราคงไม่อยากนี่คือผมว่าทําไมเวลาหลายคนจะไปเที่ยวต่างประเทศไปประเทศที่เรียกว่ามีความสะดวกสบายสมบูรณ์พร้อมทั้งทั้งที่รู้ว่ามันสมบูรณ์พร้อมเนี่ยแต่เราก็ยังต้องเตรียม มีการวางแผนล่วงหน้าเป็นเดือนๆจะไปลอนดอนจะไปนิวยอร์กไดยต้องเตรียมเลยนะใช้เวลาล่วงหน้าเป็นเดือนว่าจะไปพักที่ไหนแลวจะไปกินที่ไหนจะไปเที่ยวที่ไหน ไปยังไงเช่ารถรถไฟหรือเครื่องบินหลายคนเนี่ยก่อนไปต้องซื้อสมุดซื้อนังสือนำเที่ยวเพื่อจะแน่ใจว่าจะไปได้สะดวกราบรื่นไม่หลงทาง yeah. Search ข้อมูลในอินเทอร์เน็ต Google ว่าเมืองนี้นะเขมีที่เที่ยวอะไรบ้างค่าใช้จ่ายเท่าไหร่มีที่ไหนน่าช้อปปิ้งบ้างก่อนไปก็แพ็คนะสัมภาระบางคนแพ็คลงหน้าเป็นเดือเลยนะเสื้อผ้าเอาไปกี่ตัวนะของใช้ประจำตัวอะไรไปบ้าง ขนาดไปเที่ยวนะแล้วก็รู้ว่าที่ที่เราไปเนี่ยมันสบายมันสะดวกเรายังเตรียมเลยนะแต่แปลกนะไอ้ความตายเนี่ยนะมันคืออีกโลกหนึ่งซึ่งเราไม่รู้จักแล้วก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นยังไงเพราะว่าคนที่ไป ไปสู่ปรโรคแล้วเนี่ยมันไม่มีเคยมีใครมาเล่าให้เราฟังว่าที่นั่นเป็นอย่างไรไม่เหมือนคนที่ไปไญี่ปุ่นไปอเมริกาเนี่ยเขาไปเขาก็เขียนเป็นสมุดนําเที่ยวหนังสือนําเที่ยวให้เร า, าทั้งที่เรารู้ว่าเราต้องไปเจอที่นั่นแน่ปาราโรคความตายเป็นที่ที่เราไม่รู้จัก แล้วเราก็รู้ว่ามันลําบากแนะ่ก่อนจะไปถึงนะแจะแปลกนะส่วนใหญ่ไม่เคยคิดจะเตรียมตัวเลยไอ้ที่ที่สบายนะเตรียมเป็นรักเป็นเวร น, นะจะได้ไม่หลงทางจะได้ไปเที่ยวสบายไอ้ที่ที่ไม่เคยไปแล้วลําบากนะกลับไม่เตรียมนะแปลกไหมนะเป็นความฉลาดหรือเปล่า นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนส่วนใหญ่ในโลกนี้จริงๆน่ยยิ่งมันเป็นที่ที่เราไม่คุ้นเคยไม่มีใครเคยไปและมาบอกเราว่ามันเป็นยังไงและเราก็ร่วมมันลำบากออะไรจะเกิดขึ้นกับเราตรงนั้นก็ไม่รู้ยิ่งต้องเตรียมขึ้นไปใหญ่ อาตมาเปรียบนะความตายเนี่ยนะเหมือนกับการสอบไลนะ่เป็นการสอบไล่ของวิชาชีวิตนะคนเราเกิดมาเนี่ยไม่ว่าจะได้เรียนหนังสือหรือไม่เนี่ยเรามีวิชาหนึ่งที่ต้องเรียน แต่บางคนก็ไม่รู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องเรียนน ะ, ะอาตมาเรียกว่าวิชาชีวิตบางคนไม่รู้ว่ามันมีวิชานี้ในโลกด้วยนะคิดแต่ว่ามันมีแค่วิชาทางโลกวิชาคณิตศาสตร์วิชาภูมิศาสตร์วิชาประวัติศาสตร์วิชาภาษาอังกฤษนะแล้วก็ ทุ่มเทไปกับการเรียนวิชาต่างๆที่ว่ามาพ่อแม่หลายคนก็อยากจะให้ลูกเรียนวิชาพวกนี้แหละยัดเข้าไปเรียนในโรงเรียนไม่พอไปอัดในโรงเรียนกวดวิชาแต่ว่าไม่สนใจที่จะให้ลูกเรียนวิชาชีวิตหรือตัวเองก็ไม่ได้สนใจจะเรียนด้วยวิชาชีวิตเนี่ยนะ มันจะมีการสอบไล่สอบไล่วันที่สอบไล่ก็คือวันที่เราทุกคนจะต้องตายใครที่มีวิชาชีวิตก็จะสอบผ่านสอบผ่านก็คือว่าไม่ทุรนทุรายก่อนตายแต่และตายเนี่ยแล้วก็ไปดีเรียกว่าสอบผ่านสอบได้เลื่อนชั้น แต่ถ้าสอบไม่ได้นะเราก็เรียกว่าสอบตกเลยสอบตกวิชาชีวิตเนี่ยนะคือตกจริงนะคือตกกระบายเลยไอ้วิชาที่เราเรียนมาเนี่ยแล้วสอบไล่เนี่ยนะแล้วเราเรียกว่าสอบตกสอบตกเนี่ยมันไม่มันไม่ตกจริงนะแค่ซ้ำชั้นอยู่ที่เดิมนะมันไม่สอบตกหรอกแค่ซ้ำชั้น แต่วิชาชีวิตถ้าสอนไม่ได้นะมันตกจริงๆนะคือตกอบายหรือไปอบายถ้าได้ก็เลื่อนชั้นนะไปสู่ภพภูมิที่สูงขึ้นสอบไร่เนี่ยของวิชาชีวิตเนี่ยเดิมพันมันสูงมากเลยแล้วที่รายกว่านั้นนะมันแก้ตัวไม่ได้นะ ตกก็ตกเลยเมื่เหมือนกับการสอบไร่ในโรงเรียนนะสอบไม่ได้สอบตกอสอบซ่อมนะมีการแก้ตัวสอบเอ t ทราไม่ได้ก็ปีหน้าสอบใหม่สอบเข้าหมหาวเทยาไลัยไม่ได้ปีหน้าสอบใหม่สอบเนไม่ได้ ก็มีโอกาสที่จะแก้ตัวในปีต่อไปบางคนสอบเนมาสิบห้าครั้งแล้วในติบันดิตนะสอบผู้พิพากษามายี่สปีแล้วก็ยังไม่รับความพยายามแต่วิชาชีวิตนี่สอบตกนี่ไม่มีโอกาสซ่อมนะตกตกเลยและที่ร้ายกว่านั้นอีกประการหนึ่งนะ ก็คือสอบไล่วิชาชีตเนี่ยไม่มีการประกาศล่วงหน้านะว่าสอบเมื่อไหร่ไอสอบไล่นะในโรงเรียนในมาาหาวิทยาลัยสอบเอนทราน์สอบสมัครงานนะสอบสัมภาษณ์เนี่ยเขามีการแจ้งล่วงหน้าใช่ไหมนีม่แจ้งล่วงหน้าหลายเดือนเลยบางทีเรารู้เป็นปีเลยนะบางทีจะมีเวลาลัานลาอยู่บ้าง สมัยสมัยตมาเรียนมสองห้านะนตมาไม่ได้เรียนหนังสือเลยนะถ้าไม่เข้าห้องเรียนเลยแต่พอถึงถึงเดือนธันวาเนี่ยก็เริ่มสมหัวนะเตรียมสอบเอนทรานเพราะรู้ว่าเอนทรานเนี่ยสอบเอนทรานเนี่ยปลายเดือนมีนาต้นเดือนเมษาพวกเรานึกออกไหมเล่นมไม่ได้เล่นนะคือทางกิจกรรมมาตลอดแต่พอถึงร้อยวันสุดท้ายก่อนสอบ ก็สมหัวกันเลยกับเพื่อนสี่คนบอกว่าสอบผ่านฉลุยเลยแต่ทําแบบนี้ไม่ได้นะกับสอบไล่วิชาชีวิตนะ่ะเพราะเขาไม่ประกาศล่วงหน้าแต่คิดว่าเอ้ยฉันลัลลาไปก่อนนะจนถึงเจ็สิบแล้วฉันค่อยมาเตรียมตัวสอบไล่นะหรือว่าอายุแปดสิบแล้วค่อยมาเตรียมเงี้ยไม่ได้นะแล้วเรารู้ได้ไงว่าเราจะอยู่จนถึงอายุเจ็ดสิบหรือแปดสิบ่ะ เราจะรู้ได้งไงว่าสอบไล่ตอนที่เราอายุเจ็ดสิบหรือแปดสิบพรุ่งนี้อสอบไล่ก็ได้นะหรือคืนนี้ก็ได้มันมีคำพูดแลวเป็นภาษสิทธิ์ของทิเบตว่าไม่มีใครรู้หรอกว่าพรุ่งนี้หรือชาติหน้าอะไรจะมาก่อน เดี๋ยวไปคิดว่ามีพรุ่งนี้แล้วค่อยมีชาติหน้าสำหรับหลายคนเนี่ยวันนี้เนี่ยพ้นจากวันนี้ไปก็ชาติหน้าเลยคือไม่มีพรุ่งนี้ประมาณหนึ่งสนห้าหมื่นคนเนี่ยนะทั่วโลกนะวันนี้คือวันสุดท้ายของเขาพ้นจากวันนี้ไปก็ชาติหน้าเลยถ้าเป็นเมืองไทยก็ประมาณพันหร้อยคนที่วันนี้คือวันสุดท้ายของเขาไม่มีพรุ่งนี้สำหรับคน กลุ่มนี้แล้วพ้นจากวันนี้ไปคือชาติหน้าเ่ยแล้วเราก็ไม่น่ใจว่าเราเนี่ยนะหรืออาตมาเนี่ยอยู่ในกลุ่มพันหร้อคนหรือว่าแสนห้าทั่วโลกหรือเปล่าเนันการสอบไล่เนี่ยของวิชาชีพเนี่ยที่เร็วความตายเนี่ยนะมันเป็นเรื่องจริงจังมากแต่แปลงนะ ในขณะที่เราให้เวลากับการเตรียมสอบจริงจังมากนะเราเตรียมตัวเป็นเดือนเพื่อที่จะสอบมิดเทอมหรือสอบปลายปีเราเตรียมตัวกันเป็นปีเพื่อที่จะสอบเข้าหมาหาวัยาลัยแต่ปรกว่า ว, วิชาสอบรายวิชาชี้นี่ ไม่เคยเตรียมเท่าไหร่แช่จะไม่ได้เตรียมเลยมันแสดงว่าเรสดงว่าประมาทแสดงว่าโง่เขลานะการตายเนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นกับเราทุกคนนั้อมันเนียต้องเกิดขึ้นกับเราแน่เราต้องเตรียมนะ ต้องมีการเตรียมต้องมีการอบรมนะเพื่อที่เราจะสามารถรับมือกับความตายได้ด้วยดีทั่วนี้เรายอมเสียเวลาให้กับหลายสิ่งหลายอย่างมากมายเราเสียเวลานะเรายอมให้เวลาอย่าเรียกว่าเสียเวลาเรายอมให้เวลา กับการเรียนรู้หลายอย่างเรื่องเที่ยวไม่ต้องไม่ต้องพูดถึงนะเอาพูดถึงการเรียนรู้เนี่ยเรายอมให้เวลาการเรียนรู้หลายอย่างเรียนรู้วิธีชงกาแฟเรียนรู้วิธีจัดออกไม้เรียนตัดเสือ้อเรียนปรุงอาหารแม้กระทั่งเรียนวิธีการตีลูกกอล์ เดี๋ยนี้คนจํานวนมากเนี่ยก็ต้องไปไปจ้างคนมาสอนนะวิธีการาเล่นกอรอบเพื่อจะมาคนหนึ่งไปเล่นกรอบร้อยชั่วโมงจ้างโปรโกอรอบเนี่มาสอนเหมนเงินไปหลายหมื่นนะพอครบร้อยชั่วโมงแกเปลี่ยนใจไม่เล่นกอรอบแล้ว ไปเรียนไปไปตีบินปองแทนนะโอ้ร้อยชั่วโมงนี้ศูนย์ไปเปล่าๆ เ, เลยนะไม่ได้ใช้ที่จริงจะว่าแต่วิชาพวกนี้เลยนะแม้กระทั่งเรียนในหมหาทลายเนะี่ยเรียนกันสี่ปีบัญชีบ้างวิศวะบ้างสถาปัตย์บ้างแต่ว่าจบแล้วนี่ ไปทำธุรกิจก็มีไปเล่นหุ้นก็มีนะวิชาที่เรียนมาสี่ห้าปีไม่ได้ใช้เลยนะบางคนเรียนหมอหกปีนะจบมานี่ไม่ได้เป็นหมอนะไปทำธุรกิจหรือบางคนก็ไปเป็นช่างภาพอิสระนะมีลูกของเพื่อนคนหนึ่งเรียนหมอมาหกปีเรียนดีด้วยพอเรียนจบก็ไปเป็นช่างภาพอิสระแกบอกว่าแกเรียนหมอเนี่ย ตามใจพ่อแม่ตอบสนองความต้องการของพ่อแม่แล้วตอนนี้พอจบแล้วขอทาตามใจตัวเองบ้างชอบเป็นช่างภาพอิสระนะไม่ได้ใช้นะเรียนมาหกปีแต่ถ้าเราเตรียมนะเตรียมตัวเตรียมใจหรือฝึกเรื่องการเตรียมตัวตายเนี่ยนะมันได้ใช้แน่นะ ได้ใช้แน่อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราคงจะได้เรียนรู้กันในวันต่อๆไปเะเฉพาะอย็นนี้ก็ขอยุติเท่านี้ก่อน